รู้แล้วก็สบายคมโกธคมโรคคมหลวงลดน้อยไปหรือถึงกับจะหมดไปก็ได้นี่แหละคำว่าได้ต้นทางคือรู้จิตใจบันนึเหมือนคิดมันเห็นจิตเห็นใจมันนึกมันคิ ด, เ, เ, นนคดเรียวได้ต้นทางเ พ, พราะพระพุทธเจ้าตัดสรู้การทำทางจิตทางใจเราก็ต้องรู้จิตรู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองกำลังนึกกำลังคิดนี่เองเรียวได้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 แต่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วพอทำไปตามครูบาอาจารย์สอนการ น, นึกการคิดคิดอิสระพยาบาทมีความพยศถือเนื้อถือตัวนั่นแหละเป็นการเบียดเบียนตนเองนั่นแหละถึงนการเบียดเบียนคนอื่นคิดอยู่ไม่หยุดเส่เติแม้จะทําบุญก็ตามคิดอยากทําบุญไปทอดกระเทนบ้านนั้นไปบังสกุลบ้านนี้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 ดดสัตว์เลี้ยงสัตอย่างสุนัขหรือหมาแมวเหล่านี้เวลามันนอนสบายว่างๆก็มีแม้หัวควายก็เหมือนกันบ้านเราเขาเรียกว่าหัวควายทางนี้อาจจะว่าวัวควายก็ยังก็ได้มันก็มีว่างๆแต่สัญญามันก็มีทําไมที่มันมีอย่างสุนัขหรือหมาเนี่พอดีพักพวกมันล่องพวกเพิ่กลุกขึ้นไปเลยเนี่ย